บวนปากกร่างปากแล้วก็สมทานอุโบสถศิลโดยตนเองด้วยอานิสงส์ที่สมทานอุโบสถศิล น, นั้นก็ร้อนถึงเทพพธิดาผู้รักษามหาสมุทรเทพพธิดานั้นจึงได้เหาะกรวดดูท้องน้ำมหาสมุทรไปก็จึงไปเห็นข้ามาหาส น, นกโพธิสัต ลอยคออยู่กลางน้ำมหาสมุทรทะเลก็จึงได้สักถามกันทดลองความจริงใจว่าท่านจะแหวกว่ายไปทำไมมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพสาลมองไม่เห็นฝั่งเลยถึงจะแหวกว่ายไปยังไงก็ไม่ค้นหรอกทำไมจึงมาแหวกว่ายอยู่อย่างนี้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 คนไม่มีความคิดเลยคนไม่มีความอดทนอันนั้นไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์เมื่อมหาชนกตอบเทวดาทเทวดาก็พอใจมากก็จึงลงไปอุ้มเอามหาชนกนั่นขึ้นไปวางไว้แท่นบัลลังก์ของกษัตริย์เมืองตั ก, กัตศิลาในครั้งนั้น บุญก็บรรดาลให้รถเสี่ยงทายให้วิ่งมาเกยเอาไปเสวยราชคองเมืองตะกัดศิลาอยู่ข้างนั้นเนื่องจากว่าเขามาหากริย์องค์กร น, นั้นสวรรคตไป <c oughs> นี่แหละการรักษาออโบสถสินนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมเนียม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 ผู้ให้ศีลห้าหรือศีลอุโบสถถึงวันอุโบสถมาท่านก็ไปสมทานอุโบสถกับกบินละดาบทด้แก่พระเจ้าสุโธธนะกับพ น, นางสิริมหามายาเทวีและพระญาติพวงผูใหญ่ <c oughs> <c oughs> เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นใหม่ๆนะั้น กบินระดาบทก็เข้าไปในพระราชวังไปขอดูพระาราชโอรสพระเจ้าสุโทธทนาก็ให้แม่เลี้ยงนางนมเอาผู้ ม, มาให้พระฤาษีได้ดูพระฤาษีดูปุคลิกลักษณะของพระ อ, องค์แล้วก็ได้กราบลงไป พาะกราบลงไปแล้วก็ร้องไห้นล้เมื่อมีผู้ถามทำไมจึงร้องไห้ร้องไห้เพราะว่าพระราทิุ ม, มานี่จเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาแล้วจะได้ออกบวชจะได้ตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกแต่ข้าพเจ้าจะมีอายุอยู่ไปไม่ทันถึงนั้นเลยก็จะหมดอายุก่อนแล้วน่าเสียดาย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 เพราะองค์เป็นนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นว่านั้นจิตบรรลุถึงปฐมฌานจนเอาพวกเงาไม้ว่านั้นไม่สามารถที่จะชายไปตามเวลาบ่ายได้เลยเงาไม่ว่าคงที่พระเจ้าสุโทธทนะได้เห็นบุญญาณุภาพของพระสิทธตราชกุมารอย่างนั้นก็นั่งคู่เข่าลงกราบ พระราชอรถอรถของตน <c oughs> นี่แหละลองพิจารณาดูท่านผู้เป็นนักปราชญ์ท่านไม่ถือเนื้อถือตัวถือเอาความดีเป็นที่ตั้ง เ, ออเมื่อท่านผู้ใดมีคุณสมบัติอันดีงามเหนือกวัวตนอย่างมากมายแล้วถึงจะเป็นผู้มีอายุย่อนกวัวก็ตามก็แสดงความเคารพนับถือ เป็นอย่างั้นอันบุคคลผู้ที่ไม่ถือเอาเหตุผลเป็นประมาณหรือไม่ถือเอาความดีเป็นหลักอย่างนี้แล้วก็แม้มาผู้นั้นจะมีคุณสมบัติดีวิเศษยังไงก็ตามถ้าตนมีอายุมากกลัวแล้วก็ไม่ได้แสดงความเอือเพื่อโนอบ้อมอะไรต่อเลยกลัวเสียเกียรติเขามีอายุน้อยกลัวตน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 ไม่ปรารถนาจะทำมันเลยหาทางหลีกเลี่ยงอันนี้ล่ะเรียกว่าเป็นนิสัยของนักปราดบรรดาพวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนอย่างนี้เนี่ยแสดงความเลื่อมใสในพระรัตนกรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ ล, ลึกอย่างนี้ก็สมควรที่จะบำเพ็ญตนเป็นนักปราด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 น้อมกายวาจาใจของตนลงสู่ธรรมส่วินัยคำสอนของพุ้เผเจ้านี้เมื่อใจมันฝักใฟหรือมันดูดดื่มในธรรมคำสอนของพุ้เยเจ้าเข้าไปแล้วอย่างนี้มันก็ละทิ่งซึ่งความโลภความโกรธความหลงอ น, นั้นไม่สะสมกิเลสเหล่านั้นให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจของตนเป็นอย่างนั้นเรื่องมันอะ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 ที่ท่านเรียกว่าทศพลญานนะพระองค์ทรงไว้ซึ่งพยานสิบอย่างพยานอันสาคัญที่สุดก็คือพระสัพพยุตัญญาณแปลว่าพยานที่อย่างรู้สัพเพเยธรรมทั้งหลายเนี่ยสุดท้ายก็เรียกว่ารู้อริยสัจธรรมทั้งสี่อันนี้แหละนับว่าเป็นพระปีชายานอันสาคัญของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย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 ก็จึงได้ยอมเคารพนอบน้อมต่อพระองค์อนอกจากนั้นแล้วก็ได้แก่พวกฤาษีดาบดอะไรที่ถือตัวว่าชนผู้มีฤทธิ์มีเดชอยู่บนนั้น่ะก็ต้องได้ไปยอมนอบน้อมต่อพระองค์สําหรับท่านผู้มีบารมีแก่กล้าแล้วอก็ได้ขอบวชในสำนักของพระองค์บวชแล้วบําเพ็ญไปไม่นานท่านก็ได้สําเร็จอรหัน มูนี้เขาล้วนตั้งแต่ได้ลดทิฏฐิมาหน้าของตนลงทั้งนั้นแหลอะอที่ตนสําคัญว่าตนดีมาจากก่อนนั่นนะลดทิ้งหมดเลยไม่เอาอนั่นแหละมายอมรับเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ยกใส่เกล้าเท้าใส่หัวปฏิพฤติ ป, ฏ, ปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาท ถ, ถ้าเป็นคารวะวิสัยก็น้อมเอาธานน้ำใ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 เท่านั้นแหละเป็นศูนย์มากนะแม้แต่ศีล น, นี่ก็ไม่ค่อยสนใจกันเลยเอาแต่มันจะได้เอาถ้าเข้าวัดทีหนึ่งก็สมทานศีลห้าเสียครั้งหนึ่งแล้วก็แล้วไปเมื่อออกจากวัดไปแล้วศีลห้าก็ฝากไว้กับพระไม่ได้เอาติดตัวไปในบ้านเลยอย่างนี้มีอยู่ท้องไปออะเป็นอย่างนี้น่ า, นาทุเล็ อันนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้ทราบซึ่งในคุณของศินด้วยปัญญาของตนเองเลยไม่ได้มองเห็นว่าศินอันนี้เป็นสมบัติอัน้ําค่าสาหรับชีวิตของตอนน่ะไม่ได้คิดเห็นเลยนะคนส่วนมากนะึกว่าเป็นประเพณีเฉยๆรับสินก็รับไปตามประเพณีเท่านั้นเละ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 ตนทำบาปอยู่ก็ไม่รู้ตัวอย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันจะไปนำตนในพ้นทุกได้อย่างไรอะ่ะเกิดไปชาติใดก็จะไปสเสวยแต่ทุกจากการกระทําบาปกรรม น, นั้นไม่รู้จักละไม่รู้จักทอนเลยเนะี่ยไม่คิดที่จะละบาปเลยในชีวิตนะ่ะคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นดัง <c oughs> นั้นในที่นี้จึงขอเตือนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลาย ขอให้สำนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ให้มาก <c oughs> นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้านั้นพระ อ, องค์เจ้าตัสดสรุแจ้งแทงตลอดเรื่องบาปบุญคุณทอดจริงๆถ้าว่าพระองค์ไม่รู้จริงนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทเลยเหมือนอย่างเช่นพระองค์เจ้า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 ปัญจวคีทางห้านั้นจึงได้สำคัญว่าพระองค์เป็นผู้ตัดสรู้สำมาสัมโพธิญาณแล้วจริงๆจึงได้แสดงความเคารพกราบไหว้ยอมตนที่จะฟังทมคำสอนของพระองค์อย่างนี้ถ้าว่าท่านภิกษุปัญจวคีท้งห้านั้นไม่ยอมอเคารพหรือว่าเชื่อถือ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 ก่อนจะให้ทานเลยก็ยกของทานจบศีรษะก่อนนั่นแสดงว่าเราเคารพต่อทา น, นเราเชื่อว่าทานนี่มีผลดีจริงผลทานนี่จะอำนวยความสุขให้เราจริงเนี่ยเราจึงได้แสดงความเคารพต่อทานนั้นก่อนจึงค่อยน้อมเข้าไปถวายผู้รับนั่นเนี่ยเราน้อมทนต่อศีลอย่างนี้อ่ะ ตอนที่เราจะรักษาสินเราก็ได้กราบได้ไหว้ไดออ้อาราธนาสินเข้าไปนั่นแสดงว่าพอใจที่จะรับเอาสินนั่นไปปฏิบัติตามจึงได้กล่าวคาอาราธนาต่อพระขอให้พระท่านประกาศสินให้ให้ท่านเป็นสักขีพยานว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะรักษาสินห้า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 อย่างนี้มันก็มีอานิสงส์มากลเลยวะนี่การรักษาศีล น, นั่ น, นเพราะว่าเราต้องน้อมกายวาจาใจลงต่อศีลจริงๆนะถ้าหา ว, ว่าไปใจแข็งกระด้างกระเดืองเข้าไปแล้วสักหน่อยศีลก็ขาดแหละวะนี่นะรักษาศีล น, นั้นไว้ไม่ได้เลยนะเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นแหละชีวิตของคนเรานี่นะ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 เอาไม่ได้ให้ทานวัตถุสิ่งของก็สำรวมในศีลให้บริสุทธิ์ไม่ล่วงศีลอันนั้นมันก็เป็นบุญกุศล ส, ส่วนหนึ่งแล้วเอานอกจากให้สำรวมในศีลแล้วนั้นเราก็มีภาวน า, เ, าเพราะว่าเรื่องรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีไม่ได้สิ้นเปลืองเงินทองเข้าของอะไรเลยเพียงจะมาสำรวมกายวาจาใจของตน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 เช่นอย่างความโลภนี่มันก็พอเบาอยู่บ้างคนผู้เลื่อมใสในศีลธรรมลนะ่ซึ่งจะไปคิดอยากจะได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนแล้ววางแผนโชคโกงหลอกลวงเอาโดยทางตัวจริตอย่างนั้นคงไม่มีแต่ว่าเรื่องความโกรดนี่สิความโกรธเนี่ยถึงแม้ว่าผู้รักษาศีลฟังธรรมอยู่มันก็ยังมีอยู่ในใจอยู่นี่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 ที่จะให้แสดงออกมาทางกายวาจาได้เหมือนกันแหละเมื่อมันก่อตั้งกิเลสเหล่านี้ให้มากๆขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อเราระพฤติปฏิบัติเข้มงวดเข้าไปจริงๆแล้วก็ระวังอย่าให้จิตมันหงุดหงิดเลยนะนะเมื่อรดกระทบกับอารมณ์ที่ที่ท่านเรียกว่าอานิจฐานอารมณ์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจนั่ น, นแล้วก็สะกดจิตไว้ไม่ให้มันวันไวไปตามอารมณ์นั้นให้ได้ เมื ak ak ่อเราสะกดมันไว้บ่อยๆเข้าไปอย่างนี้มันก็เข้มแข็งขึ้นแล้ววันนี้นะมันก็ไม่เผลอเมื่ออารมณ์มันเช่นนั้นกระทบกระทั่งต่อไปมันก็รู้สึกเฉยๆไม่ตื่นเต้นอะไรเลยเพราะมันมีกำลังสมาธิกำลังสติ